Life is easy ยิ่งเรียบง่ายยิ่งใกล้ความสุขโดยท่านววชิราเมธีบรรยายนะธรรมสภาสูนิปัสนาสากลไรเชิญตะวันตำบลห้วยศัก์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2558ขอเชิญท่านสาธุชน โปรดตั้งใจฟังด้วยความเคารพนบัตนี้ ครูบาอาจารย์ทุกท่านมีใครไม่เคยฝึกสมาธิภาวนาเลยมีไหมแบบใหม่มาเลยมีหรือเปล่ามีไหมยกเลยยกเลยไม่ต้องอายอาจารย์จะได้รู้เอาละาในหลักสูตรนี้เรื่องสมาธิภาวนาเราพยายามจะสอนให้ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะ ให้รู้จักมาตรฐานก่อนเพราะว่าเราจะต้องไปสอนลูกพระลูกเนนและที่สําคัญเราทํางานเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับพุทธถ้าเราไม่แม่นแล้วใครจะแม่นฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องมีความแม่นยำต้องมีความชัดเจนคนอื่นเขาหลงให้คนหลงไปเราต้องไม่ไปหลงกับเขา ฉะนั้นเราจะเสียเวลานิดหน่อยในการทบทวนพื้นฐานเนะาะพวกเราเป็นครูหมดแล้วปะครูหมดนะรู้สึกว่าเอามาพร้าวเข้ามาขายส่วนไหม <c oughs> ถ้ารู้สึกก็บอกนะโ <c oughs> <c oughs> บราณท่านว่าคนที่สอนยากสอนเย็ น, นมีสี่จำพวกลองดูนะว่าเข้าไหม หนึ่งหนึ่งเจ้าเจ้าคือพระบร ม, มวงศานุวงศ์ไม่มีใครกล้าสอนอะใช่ไหมมันเสี่ยงฉะนันจะผิดจะถูกแล้วก็ปล่อยไปนะถ้าไม่รู้เองก็ช่วยไม่ได้ อ, อันตรายนะถ้โง่แล้วโง่เลยนะไม่มีใครบอกอน่ารายมากสองพระ ไม่มีใครกล้าสอนหนังสือสังคาราชบวชมานานแต่บางทีไม่ใช่หลักประกันว่าจะเป็นผู้รู้นะบวน้นานก็งโง่นานไม่มีใครบอกไม่มีใครกล่าวกลัวไม่มีใครกล่าวหนังสือเป็นสอนสังคาราชสามคนแก่คนแก่ก็คิดว่าเรา อาบน้ำร้อนมาก่อนพอใครจะไปบอกปุ๊บตอนที่เธอเกิดฉันระดับไหนละล่อะอาถรพูดอย่างงี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วคนแก่ไม่ได้ไหมายความว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเสมอไปบางคนโดนน้ำร้อนรว่วงใช่ว่าเกิดก่อนแล้วจะต้นทุนดีเสมอไปนะบางคนเกิดก่อนก็ไม่เป็นโลคเป็นภายก็มีและสี่ครู ถ้าครูคนนั้นแก่ด้วยสองเด้งเลยนะทั้งแก่ทั้งเป็นครูทั้งเป็นพระโอ้ถึงไม่เป็นพระก็สอนพระสอนเนนมันก็เป็นไปแล้วครึ่งตัวนะฉะนั้นสี่กลุ่มนี้สอนยากแต่ทั้งทั้งที่เวลาคนอื่นมาสอนเนี่ยสอนยากแต่เวลาสอนคนอื่นเนี่ยชอบขาดคันคนอื่นนะ ใช่ไหมจมจี้จำชัยสรพัดแต่ถ้าคนอื่นจะมาสอนปุ๊บทำหน้าเซ็งมาสอนฉันฉันครูนะครูพระด้วยไม่ต้องกับของพวกนี้ทำพระจําถึงไม่พูดแต่ตามันพูดนี่กฎแห่งกรรมมีจริงนะจ้ามจี้จำชัยโลกเนนนักใช่ไหมมีครูคนหนึ่งมาถามพระอาจารย์พระอาจารย์นี่ดึงหูเน้นบาปไหม ไม่บาปอยากจัดให้สักครั้งหนึ่งเ <N en> น้นมึงรูปมันก็เหลือเกินเนี่ยเราคิดเนี่ยตอนเราจําจีจำชัยเขาเนาะลูกเน้นมองตาเราเองครูไม่ล ด, ดลาวันสองดังนั้นวันนี้เรากลับมาที่นี่เรากลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งหนึ่งจะเรียนอะไรก็ตามให้มีความสุขเราต้องกลับไปเป็นคนเล็กคนน้อย นะกลับไปเป็นคนเล็กคนน้อยทําตนเป็นบุคคลไม่สําคัญของโลกทําตัวง่ายๆทําใจร่มๆอย่าเยอะอย่าเรื่องมากฉะนั้นมาที่นี่เนี่ยกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างน่ะจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยถอดหัวโขนให้คุณครูเช่นเรือนนอนคุณครัวนอนสบายกว่านี้สักร้อยเท่านะ ค, ครูประหยัดเงินเดือนสูงทั้งนั้นบ้านหลังใหญ่ ห, ญห้องนอนติดแอร์เย็นช่า นะรถก็เบนซ์โอ้นะมาที่นี่โอ้ตายแล้วมานอนเรือนนอนมุงคานอนเต็น์รับไม่ได้เคยอยู่หรูกินหรูอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อหลายรูปมีเดชบารมีจู่ๆขึ้นเงินเดือนให้แบบไม่มีเหตุผลไม่บอกลวกน้ะทวดเดียวห้ามืนสบายมาอยู่ที่นี่ติดดินเลยเห็นไหม เรือนนอนสองหลังนะ่ะหลังอยู่กับปัจจุบันหลังหนึ่งใช่ไหมอีกหลังหนึ่งอยู่กับเดินกินกับทรายโดนรื้อไปก็เลยเหลือแต่หลังอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมกับอีกหลังหนึ่งชื่ออะไรอยู่ยังต่ําทํำยังสูงเนี่ยเราฝึกนะให้ครูบาอาจารย์ได้อยู่อยู่ง่ายกินง่ายแต่ทําสูงอยู่ต่ําทําสูง simple living and high doing เพื่ออะไร เพื่อเป็นการถอดอุปสรรคของการเรียนรู้ซึ่งถอดยากถอดเย็นที่สุดคือความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูตัวกูของกูตัวฉันของฉันนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของมนุษย์นะความทุกข์บรรดาเมีนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเรายึดติดถือมั่นในตัวฉันของฉันเท่านั้นถ้าไม่ยึดในะความทุกข์หายไปเลย90เปอร์เซ็นต์ให้นั่งพื้นนั่งยังไงก็ได้ถ้าเราไม่คิดว่าเราสาคัญนะ ให้นั่งรถรถยี่ห้ออะไรก็นั่งได้แต่ถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่ปับ๊บถ้าจะให้นั่งถ้าเก้าอี้ไม่สมเกียจมันก็นั่งแล้วก็อึดอัดถ้าให้นอนอออนอนเต้นไม่ได้คืนนี้หลับไม่ลงภาวนาให้จบให้เร็วที่สดุดขนาดมาสามวันยังนับถอยหลัง <c> ใ <oughs> น้พอใจมันไม่มาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นปัญหา แต่ถ้าเราวางหัวขนชั่วคราวไม่ได้คิดว่าตนเป็นบุคคลสำคัญอะไรหรอกเราก็แค่ผงคลีทุลีดินของจักรวาล น, นี้เล็กจ้อยเสียเหลือเกินตามติดเส้นดินเส้นยาครูบาอาจารย์จะให้ปฏิบัติเราก็ทำจะให้เดินเราก็เดินจะให้นั่งเราก็นั่งท่านพาทำอะไรเราจะทำหมดเลยฉันจะกลับไปเป็นน้ำครึ่งแก้วสักครั้งหนึ่งถ้าวางจิตวางใจให้ถูกอย่างนี้นะโยมจะเรียนรู้อย่างมีความสุข แต่ถ้าเราคิดว่าเรามันโคตรยิ่งใหญ่ตำแหน่งแห่งที่เราก็สำคัญเงินเดือนเราก็สูงลูกจิตลูกหาเราก็ดังหลวงพ่อเจ้าวาดผู้บริหารโรงเรียนเราก็โอโหเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการแล้วนี่ให้ฉันมาอยู่อย่างนี้นะรู้โอโหงานนี้ต้องถ่ายรูปส่งหลวงพ่อท่านวอตอนรับแบบนี้เขาหน้าไม่มาแล้วนะฝรั่งเรียกกันอย่างนี้ว่า over the top ภาษาไทยแปลว่าเยอะอยู่ที่ไหนถ้าเยอะแล้วไม่มีความสุขหรอกยังมีความสุขนะอยู่ง่ายกินง่ายพระพุทธองค์ทรงใช้คำว่าสุภรตาสุภรตาหรืออยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายจะไม่เรื่องมากถ้าเราเรื่องมากปั๊บเอาหัชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคเมื่อปีที่พระอาจารย์ดังใหม่ๆนี่จําได้ เปิดตัวหนังสือธรรมะติดเปรกแล้วดังมากดังแบบชั่วข้ามคืนเลยไม่คิดไม่ฝันมาก่อนตื่นเช้าขึ้นมาเอานายกทักษิณให้สัมภาษณ์สรยุทธ์ช่วงนั้นสระยุทธกําลังดังใหม่ๆระเบิดเถื่อนเปลียนพิงเปี่ยนเลยนายกทักษิณไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วสรยุทธ์สัมภาษณ์ท่านนายกอ่านหนังสืออะไรบ้างช่วงนั้นท่านนายกท่านก็ดังมากๆมาใหม่สมัยแรกท่านก็บอกผมอ่านของท่านวอทุกเล่มแหละเก็บเป็นคอลเลกชัน โอ้โหเท่านั้นเองเราก็ดังขึ้นไปอีกวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ก็ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติสรยุทธก็แจกลาเซ็์อยู่บูธโน้นท่านวอแจกอยู่บูธนี้คนยืนขอลายเซ็นของสองคนนะยาวไปจนถึงทางเข้าศูนย์เซลิกิตตั้งแต่บ่ายสามถึงห้าโมงเ็น่ะเซ็นแจกลาเซ็นจนเมื อ, อีกเชื่อไหมห้าโมงลูกศิษย์มาบอกพระอาจารย์ครับหนังสือหมดร้านแล้วครับ โอ้โหเราคิดในใจเรามันโคตรยิ่งใหญ่อัตามันพองครับชุนศิลิกิตนักเขียนใหญ่นักเขียนดังมันดิ่งใหญ่มากวันรลงขึ้นนั่งเครื่องกลับมาเชียงรายเดินเข้าวัดป่าที่นี่พอเราเดินเข้ามาสมัยโน้นถนนหนทางมันมันไม่ได้ดียอย่างนี้เป็นถนนไปดาวอังคันอ่ะเดินเลาะป่ามาตอกแตกตอก ถือแย่มาหนังสือธรรมะติดไปอีกเล่มหนึ่งเล่มแรกในชีวิตภูไม่ใจมากเมื่อวานเราโคตรยิ่งใหญ่ถูกถ่ายรูปเมื่อคืนขึ้นเครื่องมาโคนยังขอถ่ายรูปจนเครื่องบินเอียงไปพองครับศูนย์ศิลฐกิจพองครับเครื่องบินพอมาที่นี่รถมันเข้าไม่ได้ถนนทางเกวียนลงเดินเดินเข้ามาตอกแตกตอกแตกรูปเดียว มหมาสามตัวนอนผิงแดดหน้าหนาวอยู่มันมันได้ยินเสียงเราเดินอะ่ะด็อกแตก็กด็อกแตก็กเหยียบใบ ไ, ไม้แห้งมามันหลับอยู่มันลุกขึ้นมางวหัวขึ้นมาเมางมันก็หลับทึบนาทีนั้นอัตตาของพระอาจารย์ซึ่งมันพองมาตลอดมันแตกโป๊จิตมันสอนจิตว่าไหนล่ะชื่อเสียงของเรามาที่นี่มันไม่มีความหมายเลย เราไม่มีค่าแม้แต่หมาจะลุกมาต้อนรับมันแตกเพโล่ะเลยจิตมันตื่นรู้ขึ้นมาว่าทุกสิ่งคือสิ่งสมมตุติเท่านั้นเองความยึดติดถือมัน่นมันมันจางมันคลายไปตามลำดับและเองหลายหลายประสบการณ์ที่พอเราจะพองจะพองจะพองคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ตัวเองแน่ ฉันเก่งฉันเจ๋งฉันแห่มันกำลังจะกลับมามันก็มีเหตุให้เพาะลงไปทุกทีมีวันหนึ่งไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยวันนั้นมาทั้งมหาวิทยาลัยก่อนงานรับปริญญาขาจะให้ดุสดีบันเด็ตท่นานอธิการก็หยิบไม้มาพูดพี่น้องประชาคมมหาวิทยาลัยที่รักผมในานามของอธิการบัดี อยากจะเรียนพวกเราทุกคนว่าพระที่เรานิมนต์มารับปริญญาวันนี้คงต้องใช้คำนี้ครับพี่น้องครับร้อยปีจะมีมาเกิดสักครั้งหนึ่งโอ้โหเราคิดในใจนี่เขาพูดถึงเราเหรอทำไมมันยิ่งใหญ่อย่างนี้อัตตาก็พองครับพอิประชุมอีกรอขึ้นไปชนเพาดานทะลุหลังคาไปเลยยิ่งใหญ่มากตัวกูของกูตัวฉันของฉันอีกโก้ไง อีกโก้มันถือกำเนิดขึ้นมาในนาทีฉันนั่งให้เขาชื่นชมได้ฉะบาลเม่รับปริญญาเสร็จเดินกลับไปของคนยิ่งใหญ่มากแล้วอีกอาทิตย์ต่อมาก็ามีมอบอยู่กนนลางถนนราช ด, ดำเนินเขาก็สัมภาษณ์นักวิชาการ อาจารย์ก็ น, นอนดูท่านอธิการที่ชมเราเมื่อวันก่อนมาด้วยวะนอนดูข่าวชิวๆสักพักพิธีกรก็ป้อนคำถามเออท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้มีพระออกมาแสดงความเห็นทางการเบืองหลายรูปอาจารย์คิดยังไงอาจารย์คนที่ชมเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าร้อยปีจะมีมาเกิดครั้งหนึ่งท่านก็พูดเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ผมไม่เห็นด้วยพระหลายรูปโดยเฉพาะพระบางรูปยังเด็กอยู่เลย ใส่แว่นด้วยเราลุกนั่งบนเตียงเลยอัตตาเราแตกโพะคิดในใจว่าปากนั้นไม่เชื่หรือที่ชมฉันวันก่อนแล้ววันนี้ปากเดียวกันนี้ดึงขาฉันลงโพะเหลือศูนเลยอีโก้ที่มันพองครับมหาวิทยาลัยวันนั้นเหลือศูนนั่นดีเห็นหรือยังฉะนั้น ชื่อเสียงยศเสบบมเนามันสมมติแต่ถ้าเรารู้ไม่ทันสมมติเจ้าสิ่งนี้จะเป็นอุปสรรคของการเรียนรู้อย่างยิ่งเลยนะเพราะมันจะทมให้เรายึดไงจนเราเป็นครูเราก็คิดว่าเราเป็นครูครูอย่างเราจะต้องฟังใครและในบรรดาครูด้วยกันเรานี่ถือว่าเป็นครูที่มีบุญที่สุดได้สอนพระครูสอนเด็กครูกระจอกเห็นไหมวิธีที่อัตตามันเพิ่มขึ้นนะ มันจะสร้างมันจะมันจะสร้างสมมติมาครอบเราครอบเราครอบเราไปตามลำดับพอเรารู้ไม่เท่าไม่ทันเราจะคิดว่าเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และเราโคตรจะสำคัญเราไปที่ไหนใครไม่เห็นความสําคัญของเราต้อนรับกับสู้ไม่สมทานะไม่สมเกียรติเราไม่มีความสมุขชีวิตจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายมากแต่ที่มันยากเพราะอะไรมนุษย์ไปสร้างสมมติมาครอบชีวิตแล้วรู้ไม่เท่าทันสมมติทูกสมมติหลอก ถูกสมมุติหลอกถูกสมมุติกัดเราจรึงมีชีวิตที่กัดเจ้าของใครไม่ได้สร้างทุกข์ให้เราเราสร้างทุกข์มากัดตัวเองเพราะเราคิดว่าเราเก่งเราเจ๋งเราแน่เรายิ่งใหญ่ใครแตะเราไม่ได้รองเท้าเราอะถอดไว้อย่างดีตอนเดินเข้ามาออกไปอะมันหลุดไปอยู่ข้างนอกเราโปรดใครมาเขี่ยรองเท้าฉันขนาดรองเท้านะเราก็ถอดจิตใส่ไว้นะใช่ไหม เบานั่งนี่เหมือนกันนะีพอนั่งบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมาสักสองวันก็คิดว่าเบาของฉันนะมนุษย์มันเผลอนิดหนึ่งมันจะยึดติดอยู่ตลอดเวลาพอยึดมากๆแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะกลับไปหาใบหน้าที่แท้จริงของเราไม่พบใบหน้าที่แท้จริงของเราคือใบหน้าที่ง่ายงามธรรมดาและไม่ปรุงแต่งทุกวันนี้เราแทบหาหน้าสดของคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้ หน much, right? so ้าสดอะรู้จ cool. ักปะนี่นั Station. ่งอยู่ในหน้าสดหมดใช่ไหมไม่มีใครแต่งเลยเมื่อเดือนที่แล้วมีหนุ่มเกาหลีใต้พาแฟนไปออกเดทกันครั้งแรกนัดกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้านอนต่างคนต่างอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จเจ้าหนุ่มก็เดินออกมาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนเตียงเขาช็อกมากคิดว่าถูกบุกรุก เขาถามหวยอยู問问 said, ่เธอก็บอกก็ฉันก็แฟนคุณไงแฟนผมแล้วทำไมหน้าคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้เาก็เธอก็บอกว่าก็ตอนนี้ฉันไม่ได้ใช้เครื่องสำอางแล้วไงโอ้พระเจ้านี่ช่คนที่ผมควงเที่ยวทั้งวันไหมเธอก็บอกใช่ให้นมไปหยิบกล้องถ่ายรูปดิจิตอลมาแล้วก็ เปิดทีละรูปใช่คนเดียวกันไหมแฟนก็บอกคนเดียวกันโอ้แม่เจ้าแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรมากไปกว่านั้นแล้วเขาช็อกปิดไฟเข้านอนเลยคิดไม้ว่าคืนนี้จ ะ, ะเผด็จศึกไม่เหลืออารมณ์แล้วต่างคนต่างนอนผู้หญิงก็ก้มหน้าสักพักเธอก็หลับยังไม่พอนะกรนด้วยชายหนุ่มเข้าสู่สังคมโซเชียลออนไลน์ นะใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนนะเขาแอบสแนปช็อตหน้าหน้าสดกันหน้าแต่งของแฟนขึ้นไปอัพใน Facebook แล้วก็ถามคนที่ฟอลโล่อยู่ว่าเพื่อนเพื่อนครับช่วยผมหน่อยตอนนี้ผมกำลังอยู่กับแฟนผมซึ่งพรุ่งนี้เรานัดกันว่าผมจะพาไปหาผู้เป็นพ่อและแม่แต่ตอนนี้ผมชักไม่มั่นใจว่าเมื่อพาไปแล้วพ่อแม่จะคิดยังไง ช่วยผมตัดสินหน่อยนะครับและนี่คือหน้าของเธอก่อนและหลัง before and after <laughs> ภายในหนึ่งชั่วโมงข่าวนี้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่เกาหลีใต้แล้วทุกคนก็แตกออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเชียร์ผู้ชายว่าถ้าหลอกกันขนาดนี้ก็เลิกเลยกลุ่มหนึ่งก็เชียร์ผู้หญิงว่าขอเถอะ ทุกคนก็อยากจะมีรักครั้งแรกและอยากจะแต่งกับผู้ชายคนแรกจะดีจะชั่วก็เปิดโอกาสให้น้องเขาได้มีความสุขสักครั้งฝั่งผู้ชายก็บอกว่าเธอไม่ใช่แค่เมียแต่จะเป็นแม่ของลูกเมื่อแต่งงานแต่งการก็จะต้องพาออกงานสังคมผู้ชายก็ควรจะมีสิทธิ์เลือกเถียงกันมาเถียงกันไปความเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกลายเป็นหลายพันความเห็นและคนเกาหลีต้ทะเลาะกันแตกออกเป็นเสียง ัมววาข้อข่าวนั้นเขาเชื่อว่าอนุภาพของหน้าสดหน้าสดก็เหมือนกับตัวตนที่แท้จริงของเราทุกคนซึ่งชีวิตจริงๆนั้นมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยชีวิตจริงๆของเราไม่ ไ, มได้ซับซ้อนนะเช่นเราหิวเราก็ไปกินเรา ง, ง่วงเราก็ไปนอนเราหนาวเราก็เสือ้อผ้ามาใส่ อยากดูเวลาก็ไปซื้อนาฬิกามาสวมชีวิตก่อนที่จะมีอัตราหรือตัวกูของกูเข้ามาพอกน่ะไม่ใช่เรื่องยุ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่เราสำคัญเรามีตาแหน่งแห่งที่เรามียศทรัพย์อำนาจปุ๊บถ้าเราเหิวเราจะกินปุ๊บเราก็จะบอกว่ามาต้องกินให้สมศักดิ์ศรีหน่อยต้องเลือกร้านกันนิดนึงเห็นไหมการกินยุ่งไหมถ้ามีการเลือกร้านแล้วยุ่งมพอไปนั่งในร้านปุ๊บคนที่มาดูแล ไม่สะอาดระววยไหมเราโวยร้านไม่รู้พออาหารไม่อร่อยเราก็จะโวยและเรื่องกินจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตทง้ทงๆที่ถ้าเราไม่พอกหัวโขนเข้าไปเรื่องกินมันเรื่องขี้ประติว๋วฉันที่ไหนก็ได้ง่ายตัดผมถ้าชีวิตของเราไม่ยึดติดหัวโขนเราตัดทรงไหนเราก็ทำของเราไป แต่ถ้าเราคิดว่าเรายิ่งใหญ่ปุ๊บจัดเสร็จทำเสร็จเราก็ไปถามเพื่อนว่าโอเคไหมหัวเราแท้ๆต้องขอประช า, าติสัยเห็นไหมเสื้อผ้าเหมือนกันเลือกแล้วเลือกอีกตอนตัดสินใจซื้อก็เลือกอย่างดีที่สุดสวมเสร็จก็หันไปถามคนข้นขางๆ <c oughs> โอไมชุดเนี้ถ้าเขาบอกดูแก่ไปเราเปลี่ยนเลย <c oughs> เห็นไหมชีวิตมันยากขึ้นมา อยากจะได้นาฬิกาไว้ดูเวลาถ้าเราไม่คิดอะไรมากหัวขนมันยังไม่มาก็ซื้อเรือนละเก้าสิเก้านี่ยไปซื้อแม่สายเนี่ของปลอมจริงๆเยอะยะซื้อมาใสา่มันก็ย4่ิบสี่ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดว่าเรามันยิ่งใหญ่มันไม่ได้หรอกเราครูพระโอ้โหเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นนาฬิกาเดือนสามหมื่นห้าหมื่นซื้อของแพงๆมาแล้วเนี่ย แค่บอกเวลามันไม่ดีหรอกนะมันไม่พอซื้อมาตั้ง3าม0 0ืนใช้ให้คุม้มฉะนั้นพยายามใส่เสื้อขันสั้นเพื่ออะไรให้ทั้งโรงเรียนต้องเห็นนาฬิกาเราเรามีไอ o n e 6S เราอยาวใส่กระเป๋าเราตั้งถือสอนหนังสืออยู่ในห้องมือนี้ถือช็อคมือนี้ตั้งถือ p อ o ฟ e มาให้ลุงเรนดูให้มันรู้ครูเธอแค่ไหนเห็นไหม นอันนี้คืออาการของอัตตาทั้งนั้นเลยอิโกโ้ตัวกูของกูตัวฉันของฉันมันจะยกหูจูหางเพื่อให้คนเห็นว่ามันเด่นมันดีมันดังและตรงนี้ตรงจุดที่เราไม่รู้เท่าทันมันทําให้เราทุกข์ชีวิตเป็นของง่ายแต่พอเราไปสร้างหัวโขนไปสร้างอัตาอตาไปสร้างอิโกโ้ไปสร้างตัวฉันของฉันครอบเข้าไปชีวิตจากเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากความสุข แต่เดิมเป็นเรื่องง่ายๆก็กลายเป็นเรื่องยากเราซึ่งแต่เดิมเป็นคนง่ายๆก็กลายเป็นคนยากและเป็นคนเยอะอยู่ที่ไหนก็กลายเป็นคนขี้บน่นจอมเรียกร้องแล้วหลังจากนั้นเราจะสะกดคำว่าสุขยากขึ้นทุกทีเพราะอะไรเราได้เผลอทาให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องยากเดีย๋ยวว่าจะโยมเลยพระก็เป็นพระก็เป็น ชาวฤทธิ์อยู่ในภูมิเดียวกันคือโมหะภูมิบีญรอดส่งองค์พระเจ้าเราไม่น้อยในประเทศนี้ก็ไป็นยศติดถือมันยดช้างขุนนางพระเป็นพระธรรมดาเนี่ยพระอาจารย์อยากจะพูดไว้ตรงนี้มีความสุขที่สุดในโลกเลยจริงๆเป็นพระธรรมดามีความสุขที่สุดในโลกแต่หน้ามหัสัจจั์มากที่พระส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาต้องเป็นซูเปอร์วีไพี และดังนั้นเราจึงคิดว่าการเป็นพระธรรมดาเนี่ยมันก็จ่องงอ่ยไม่มีหน้าไม่มีตาเราก็จึงตะเกียงตะกายปีนไปจะเป็นพระมีระดับเป็นพระรู้แล้วนานเข้านานเข้าเราก็คิดว่าการมียศรับอานาจก็เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของชีวิตพระเองฉะนั้นเป็นพระปุ๊บอย่าเป็นพระธรรมดาต้องปีนไปให้มียศให้มีรับมีอำนาจ พอมีแล้วมันก็ต้องไต่บันไดยศทรัพย์อํานาจขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปไปมามาโยมก็หลงสมมุติพระก็หลงสมมุติใครเข้าใจสมมุติแล้ววางสมมุติได้คนนั้นโชคดีที่สุดในโลกปีนี้มีงานประชุมวิสาขบูชาโลกมีพระไทยพระต่างชาติทั่วโลกมาประชุมกันพระอาจารย์ก็ได้รับในหมดทาได้วันนั้นพระอาจารย์งลงเครื่องบินที่สุวรรณภูมิ ผู้จัดงานก็มาต้อนรับพระอาจารย์พร้อมกับพระชั้นนำพระสงฆ์ไทยพระเกาหลีพระญี่ปุ่นพระพระมา่ามาหมดนั่งกันเต็มห้องพอเราเดินเข้าไปก็มีพระจากต่างชาติรุ่มหนึ่งทักโอ้ท่านว่าไม่ไดีเจอกันนนตอนนี้เป็นชั้นไหนแล้ว <c oughs> ความหมายของท่านก็คือชั้นสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมอาดมาก็คิดในใจเมื่อกี้เรานั่งเครื่องมาอีคนมีคลาส ก็เลยบอกเขาไปว่าผมพระชั้นประหยัดครับบนเครื่องบินมันจะมี first class business class ใช่ไหม economy class เรานั่งชั้นประหยัดมาเราก็เลยบอกหลวงพ่อผมชั้นประหยัดครับวงแตกในห้องเลยจริงจริงความงามของการเป็นพระก็คือการเป็นพระชั้นประหยัดเป็นพระที่ไม่เรื่องมากเป็นพระที่ไม่เยอะเป็นพระที่กลับมาสู่ความเรียบง่าย สามัญธรรมดาให้มากที่สุดยิ่งต่ำติดเส้นดินเส้นหญ้ายิ่งดีที่สุดเลยพระพ่อของเราทิ้งยศทรัพย์อำนาจไว้ข้างหลังแล้วก็ออกบวชตอนที่พระองค์ท่านออกบวชนั้นยังอยู่ในชุดเจ้าชายมากดราชกุมารเมื่อมาถึงกลางป่าแล้วพระองค์ถอดสีราพรเครื่องประดับพระเศียรถอดสายสังวรแพชร ถอดเครื่องราชูปภูกแบบมกุฎราชกุมารทั้งหมดยกใส่มือให้หนายฉันนะซึ่งเป็นมหาดเล็กแล้วก็บอกนายฉันนะว่าฉันนะทรัพย์สินมีค่าประดามีนี้เรายกให้เธอเธอจะไปคืนที่สำนักพระราชวังของสมเด็จพ่อเราก็ได้หรือเธอจะอไปขายเอาเงินเอาทองมาใช้เองก็ได้เรายกให้ฉันนะก็ทวงว่าพระองค์ไม่เสียใจหรือ พระองค์ท่านก็บอกว่าของพวกนี้เราทิ้งแล้วความเสียดายสักนิดหนึ่งก็ไม่มีอุปมาดังหนึ่งคนที่ถมน้ำลายทิ้งแล้วไม่เสียดายฉันใดก็ฉันนั้นเธอเอาไปแล้วพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นผ้าดัดดัดสามัญธรรมดาซึ่งหาได้แถนนั้นเอามาหม่มเดินตรงเข้าป่าไปพระองค์ทรงทิ้งอำนาจราชศัก์เข้าไปสู่ความสามัญธรรมดา simple living เพื่อที่จะไฮดูอิง คือแสวงหาสัจธรรมและในก่อนที่จะตรัสรู้นั้นว่ากันว่าโสติยพรามก็เอายาคามาวางถวายเราก็คิดว่ายาขาก็คือยาคาแหละแต่ถ้าเราเป็นครูเราต้องลึกกว่านั้นยาขาไม่ใช่แค่ยาขาเป็นปริศนธรรมหลวงพ่อชาสุภทโทท่านถอดปริศนธรรมว่ายาคาหมายถึงโลกธระททั้งแ ได้ลาบเสียมลาบได้ยศเสีย่มยศสนเสริญเนินทาสุขทุกข์เราต้องนั่งทับมันอย่าให้มันมาบาดมือบาดเท้าบาดคอเราบาดจิตบาดใจเราคนส่วนใหญ่เจอโรค ก, กระทำซึ่งเป็นดังหนึ่งย่าคาเนจะกล้านั่งทับไหมเขอยศมาให้เนี่ยโอ้ยินดีเต็มใจรับนะเอาทรัพย์มาให้ล่ะยอมสลายจุดยืนทันทีเลยเงินมาก็โอเค แคร์แล้วเหมือนกับพูดกันในวงการดาราเงินมาผ้าหลด <c oughs> จริงไหมจริงไม่รู้นะสรรเสริญมาคนยกย่องแล้วแอนอกรับเพราะคนด่าไม่อยากจะรับซึ่งมันได้ที่ไหนอยู่ในโลกมันต้องโชคเลือดคุณจะรับแต่สรรเสริญแล้วไม่เอานินทานได้ยังไงนี่ธรรมดาโลกคุณจะรับแต่สุขแล้วปฏิเสธทุกได้ยังไงนี่มันธรรมดาโลก คุณจะรับแต่ยศแล้วพอมันเสื่อมยศคุณจะปฏิเสธได้ยังไงนี่ธรรมดาโลกคุณจะรับแต่ลาบแล้วปฏิเสธความเสื่อมลาบได้ยังไงนี่มันธรรมดาโลกยกหน้ามือขึ้นมาหลังมือมาไหมมาหมดธรรมดาโลกเป็นเช่นนี้พระบิษาสัจเจตตาของเราเนี่ยเอาโลกกระทำทั้งแปดซึ่งเป็นดังหนึ่งย่าคาเนี่ยทําไมต้องเป็นดังหนึ่งย่าคาเพราะว่ายาคานั้นถ้ากรรมไม่ดีมันบาดไหมมันคมกลิบเลยนะ สมัยเป็นเด็กพระอาจารย์เคยไปเกี่ยวยาคากับยมพ่อเอามาไัยเป็นคานะเนี่ยเราจับจับไม่แน่นนะแล้วเกี่ยวเกี่ยวนะถูกยาคาบาดมันคมมากยาคาเนยนะนะถ้าไม่เชื่อนะออกไปเนะี่ยในกลางไร่ยังมียาคาอยู่หลายกอนะยมเอามือรวบแล้วดึงพุทขึ้นมาโอ้โหแล้วจะเข้าใจว่ายาคามันคมแค่ไหนนะอยากทดลองไห นะยมจับไว้นะกอนึงเักเอ า, กอเอาักาสิบต้นก็นได้นะจับไว้นะแล้วรูด ช, ช้าๆถ่ายคลิปเลยก็ได้ <S <S 1> <S 1> เลือดจะไหลโชคเลย <S <S นั่นแหละยาคารยาคาจึงเหมือนโลกการทำแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยเลือดสิปๆเลยเลือดออกทางจิตวิญญาณคือมีชีวิตที่ไม่มีความสุข อยากได้ยศพอมันไม่ได้แล้วทุกไหมได้มาแล้วพราเขาเจะริบคืนอ่ะไม่เลื่อนสัทีอ่ะทุกไหมทุกอยากได้ลาบอยากเงินเดือนขึ้นเงนี้ยพอไม่ขึ้นเราก็บ่นแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเราก็ลอยพอลอยสักพักหนึง่งไม่พอใช้อีกแล้วห <c oughs> รือบางที่อาจจะไม่ต้องพูดถึงเงินเดือนขึ้นหรอครูปริยัตเนี่ยพูดว่าเงินเดือนออกให้ตรงกันเถอะ <c oughs> อาจจะจริงกว่า <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> เห็นไหมฉะนั้นเรื่องโลกกระทำเนี่ยได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยดสนเสรินินทาสุขทุกเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องรู้เท่าทันว่ามันเป็นเครื่องเคียงของโลกเครื่องเคียงของชีวิตมันไม่ใช่เมนูหลักมันไม่ใช่อาหารจานหลักของชีวิตของพวกนี้ได้ก็ดีไม่มีก็ได้และถ้าได้มาอย่าไปยึดติดนั่งทับไว้เมื่อตแตสรู้แล้วนี่พระพุทธองค์ก็ได้เหยียบพระบาทไว้หลายครั้ง ต่อมาก็จึงเกิดประเพณีการสร้างพระพุทธบาทและในรอยพระพุทธบาทนั้นก็มีนักปราบราชบัณฑป์เอามงคลอยร้อยแปดไปวางไว้ใช่ไหมอะไรที่ว่าเป็นมงคลของโลกนะเอาไปวางไว้ในรอยพระพุทธบาททั้งหมดเลยทุกวันนี้คนจํานวนมากไปบูชาพระพุทธบาทก็ไปไหว้แล้วก็เป็นนับดูว่ามีอะไรมงคลอยร้อยแปดมีอะไรบ้างโอ้หอยสังมงคลลอยนั่นก็มงคลนี่ก็มงคล แล้วก็ไปยึดติดถือมันมาสิ่งเหล่านั้นนะมงคลร้อยปดคือมงคลทั้งหมดถ้ามาถามมาตมานะมงคลร้อยแปดนั้นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าอะไรที่ว่าแน่ฉันเหยียบฉันไม่ได้ยึดติดถือมันเลยสำหรับพระพุทธองค์สิ่งที่เป็นมงคลมีเรื่องเดียวคือธรรมมงคลพระองค์ทรงเหยียบไว้ใต้ฝ่าเท้าแต่พวกเราก็ยังกราบยังว่ายังยึดติดถือมันนะ เราอยู่กับพุทธนะแต่เราไม่เข้าใจความเป็นพุทธเรากราบพระพุทธองค์อยู่ทุกเมื่อเช่อวันแต่เราไม่เข้าใจพระองค์ท่านเลยนี่ชาวพุทธของเราเป็นอย่างนี้โลกกระทำซึ่งเป็นดังหนึ่งย่าคาที่ต้องนั่งทับเราก็เอามายกเอามาย่องเอามาเชิดชูวัตถุมงคลทั้งหลายซึ่งพระพุทธองค์ทรงเหยียบไว้ใต้ฝา่าเท้าเร า, าก็เอามาเชิดชูถ้าเราตีประเด็นธรรมะไม่แตก ถึงแม้เราจะเป็นครูประยัดก็ตามเราก็ยังไม่มีความสุขแต่ถ้าเราจับประเด็นธรรมะให้แตกเราจะเป็นครูดีโชคดีที่สุดในโลกเพราะธรรมะคือวิชาที่ประเสริฐที่สุดในโลกวิชาใดๆในล่านี้ล้วนสอนให้เรามีให้เราเป็นเกือบทั้งหมดทั้งสิ้นแต่วิชาธรรมะนั้นล้วนสอนให้เราปล่อยให้เราปลงล้วนสอนให้เรา เป็นอิสระดังนั้นวิชาใดในใต้ล่านี้จะประเสริฐกว่าธรรมะเป็นไม่มีอีกแล้ววิชาเกือบทั้งหมดสอนให้เอาสอนให้มีสอนให้เป็นสอนให้อยากวิชาศิลปะคือวิชาศิลปะแห่งการกระตุ้นความอยากใช่ไหมแต่วิชาธรรมะของพระพุทธองค์นั้นจะสอนให้เราปล่อยสอนให้เราปงสอนให้เราถอด สอนให้เราวางสุดท้ายสอนให้เราหลุดพ้นไปดังหนึ่งบัวพ้นน้ําอันนี้จึงถือว่าเป็นอุดมวิชาอุดมวิชาแปลว่าวิชาสูงสุดวิชาที่ประเสริฐที่สุดวิชาที่เลิเลิอที่สุดซึ่งเมื่อใครจับประเด็นให้ชัดและตีประเด็นให้แตกคนคนนั้นถือว่าจะมีชีวิตที่เข้าถึงแกนกลางของความเป็นมนุษย์จะกลับมาหาใบหน้าที่แท้จริงของตัวเองพบ นันก็คือใบหน้าที่ปราศจากซึ่งหัวโขนปราศจากอีกโก้ปราศจากอัตตาปราศจากซึ่งตัวฉันของฉันเราจะกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ดาด่าแสนสามัญธรรมดาแต่ถา้าเราจะมีความสุขเต็มปรีอยู่ในหัวใจนี่คือประเด็นของการเรียนธรรมะเราเรียนธรรมะเราสอนธรรมะเพื่อถอนความยึดติด ถ, ถือมัน่น พรอเราถอนความยึดติดถือมั่นได้แต่เมื่อเรากลับเข้าไปสู่สังคมสังคมเขายังยึดติดถือมั่นอยู่เราจะกลับไปใช้หัวโขนจะกลับไปใช้อัตตาจะกลับไปใช้หน้าตาก็ได้เราก็ไม่กวางโลกแต่ว่าใช้เสร็จเราก็วางสมมุติอัตมภาพอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นวัดป่าวัดดอยนะไม่ใช่งานให้ทรงให้โซให้ซอที่ไหนเราก็กลับมา เป็นผ้าธรรมดาสามัญรูปหนึ่งแต่วันพรุ่งนี้เราจะต้องไปเป็นประธานเปิดงานเขาตั้งแถวต้อนรับครึ่งกิโลพรุ่งนี้นะปูพรมแดงด้วยนะพอไปถึงปุ๊บเราก็ไม่ไปด่าเขาหรอกว่าทําทําไมเราก็บอกโอ้นี่มันเป็นสมมุติ่ะ เ, เขาตั้งแถวรับเราก็เดินเขาอยากถ่ายรูปเราก็ให้ถ่ายเราก็ไม่ไปด่าใครเขาคนมีปัญญาไม่ขวางโลกแต่คนมีปัญญาครึ่งครึ่งกลางกเนี่ยขวางโลกไปที่ไหนก็วงแต่ ถ้ามีปัญญาถึงที่สุดแล้วไม่มีปัญหารู้จักสมมุติและรู้จักใช้สมมุติใช้เสร็จก็วางเหมือนอาตมาภาพถือไมโครโฟนอันนี้อันนี้เป็นสมมติเมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้อาตมาก็ถือถือเอาไว้ให้มั่นด้วยใช้เสร็จอตามาภาพก็วางใช่ไหมยศซับบบนั้เป็นสมมติถึงเวลาใช้ก็ใช้ไม่ถึงเวลาใช้ก็วาง ไม่ใ่ราไปข้างนอกเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เรากลับเข้ามาทุกคนต้องเห็นเรายิ่งใหญ่หมดแม้กระทั่งหมาวัดก็ไม่เว้นต้องยอมรับในความยิ่งใหญ่ของเราถ้าไม่ยิ่งใหญ่ก็เชิญไปอยู่ที่อื่นบางคนเป็นซีอโออยู่บริษัทในลูกน้องตะเบ่หมดกลับเข้าบ้านห้าโมงลูกและเมีย ม, มายืนรออยู่ที่ประตูซีอโอกลับบ้านอันนี้คือหลงสมมติแล้วไม่รู้จักวางสมมุติครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายถ้าเข้าใจเรื่องสมมุติ แล้วเข้าใจเรื่องแก่นของชีวิตนะชีวิตนี้เป็นเรื่องง่ายแล้วท่านจะมีความสุขมากพูดไว้ตรงนี้เลยเข้าใจเรื่องอะไรเป็นแก่นของชีวิตอะไรเป็นเปลือกของชีวิตความทุกข์ในชีวิตท่านจะหายไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วชีวิตจะเป็นเรื่องง่ายมากธรรมดามากปีก่อนน้นพระอาจารย์ไปเทศที่ยุโรปแล้วก็มันจะเลยเวลาเพลนเนืน่องจากว่าวันนั้นพระอาจารย์ไปเทศแล้วคนมาฟังเทศเยอะมาก คณะจัดงานก็นิมนต์ไปเลี้ยงจัดเลี้ยงเพลนถวายอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่พรมแดนใกล้ๆกันพอดีระหว่างเดินทางนั้นเกิดอุบททัติเหตุก่อนหนะ้าที่เราจะไปถึงรถก็ต้องออมออกไปนอกเมืองสิบเอโมงสี่สิบแล้วยังไม่ถึงอ่ะอาตมาพ่อก็ถามายมยมอีกนานไหมยมก็บอกอีกนิดเดียวอตาตมาก็เลยถามอันนิดเดียวได้ยังไงยมนี่สิบ็ดสิบแล้วนะ อ, กกอีกนิดเดียวเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ถึงทําใจเริมร่มเริ <c oughs> ่มอาตมาเลยหันไปบอกโยมอาตมาบวชมานานแล้วเป็นบร์เรียนเก้าด้วยชีวิตอาตมาเรื่องฉันอาตมาไ ม, ไม่ไม่มากังวลแล้วเรื่องฉันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การไม่ได้ฉันมันเป็นเรื่องใหญ่เพ <c oughs> ราะฉะนั้นโยมต้องแก้ปัญหาแล้ว เจ้าค่ะโยมก็หันไปหาเือกันสักพักหนึ่งสิบเอ็ห้าสิบเห็นโยมยังเงียบอยู่อาตมาภาพเลยโยมจอดอาตมาจะลงแล้วทำไมเจ้าค่ะต้องลงฉันแถวนี้เรามีอะไรก็ต้องฉันไปก่อนเดี๋ยวมันหมดเวลาแล้วพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่ไปยึดติดถือมันเลยโ <c oughs> ยมว่าท่านกลับไปใช้เวลาเมืองไทยดีกว่าตอนนี้เพิ่งหงเช้าเอง โอ้โหถ้าใช้เวลาเมืองไทยเนะี่ยยืดไปได้ครึ่งวันเลยนะอัตมาบอกโยมไม่เอาหรอกอัตมาภาพมีชื่อเสียงอยู่นิดหน่อยผิดพลาดขึ้นมามันจะเสียหายเอาเถอะจอดข้างทางเนี่ยปะโยมก็เลี้ยวรถไปจอดอืตายต้นไม้อัตมาก็หันไปถามมีใครเอาอะไรมามีคนยายคนหนึ่งซึ่งคณะไม่อยากให้ขึ้นรถเลยนะไม่ได้อยู่ในกรรมการวัดด้วยแต่เป็นแฟนคลับเพราะรู้ว่าเขาจะนิมนต์พระจันทรย์ไปจัดเลี้ยงต่างประเทศ ยายขึ้นเป็นนั่งอยู่ในรถของวัดเลยแล้วใครเชิญลงไม่ลงเพราะยายอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดแล้ว <c ười> คุณยายมีแซนด์วิชเน่าเน่าติดย้ามมาด้วยในขณะที่คุณหญิงคุณนายไม่มีสักอันนะเพราะอะไรจองร้านอาหารนิตาเลียนไว้แล้วทุกคนเบาเบากันมาหมดและโยอมก็มากับชับว่าพระอาจารย์เจ้าค่ะเช้ า, ชานี้พระอาจารย์ฉันอะไรเบาเบาแล้วไปหนักตอนเพลนเลยอาหารนิตาเลียน เช้าวันนั้นพระอาจารย์ไม่ฉันอะไรเลยโอวัตตินแก้วหนึ่งอะเ <ś led> บาจริงๆ <ś led> พอไปถึงสิบเ็ดโมงห้าสิบไม่มีใครแล้วไม่มีร้านอาหารด้วยจอดเลยลงไปนั่งเอายมใครมีอะไรก็เอามาให้ฉันเงียบ <c oughs> คุณยายออกจากรถมายมมีเจ้าค่ะอะไรยายเนี่ยเอาแซนด์วิชเน่าๆมาให้หนึ่งอันแล้วอีกอันหนึ่งอะยายกินไปครึ่งนึง จ้างงินนั่งฉังแนแซนด์วิชเอาให้รอดก่อนนะวันนี้นะเพราะเมื่อเช้ามันแทบไม่ได้ฉันไงเบาๆคิดถึงอาหารอิตาเลียนแล้วพอฉันไปสักพักหนึ่งอ๋อมันแซนด์วิชเพียวๆอะ่ะมันไม่มีรสไม่มีชาหนะแล้วมันแห้งก็แห้งเนาะไม่มีรสไม่มีชาเลยฉันไปด้วยเอาน้ําเปล่าตามเลยทํามยายมีอะไรมาแกล้มไหมไม่มีเครื่องเคียงหรือยายหลวงไปเนยย่ำนี่เจ้ากะอะไร น้ำพริกนรกยายกินไปครึ่งหนึ่งดำมาหักดิบเลยฉีกแซนด์วิชจิ้มดีละชิน้นใส่ปากเคียวกลุมกล้มๆให้กรรมการวัดดูให้รู้สึกผิดกันไปเลยฉันไปสะพักหนึ่งกรรมการวัดก็เข้ามากราบพระเจ้านะครับขอโทษจริงๆขอโทษอะไรรยมผมพวกเรารู้สึกผิดมากเลยอะ เอาพระที่มีชื่อมีเสียงระดับชาติต้องมันนั่งฉันข้างทางเสือก็ไม่ได้โปถ้าะไรพอาจารย์อย่าไปถือสาพวกเรานะครับแล้วจะไปพูดที่ไหน <c oughs> <c oughs> ขอนด้ครับมันแย่มากแบบ น, นี้ผมรู้สึกผิดอาจารย์นนภาพก็เลยบอกว่าโยมโยมจะไปรู้สึกผิดทำไม ก็แม่ไม่ได้ต้อนรับพระอาจารย์อย่างดีนะสิดูสิเนี่ยแทนที่จะได้ไปฉันในพัตตาคาลมันนั่งข้างทางยมอย่าไปคิดมากที่นั่งฉันอยู่นี่ไม่ใช่วอร์บิชิราเมตีที่นั่งฉันอยู่นี่พระธรรมดารูปหนึง่งและที่สําคัญนะธรรมาภาพมาได้รู้สึกว่ามันแย่หรือมันตกต่ตําตรงไหนอารมามีความสุขเมื่อพูดจากหวัวใจเลยเพราะอรรมาภาพเอาก้นนั่งไม่ได้เอาหน้านั่งนั่งฉันน่ะใช่ไหม เนี่ยพอเราไม่ปรุงไม่แต่งมันะ่ะชีวิตมันง่ายไหมมันง่ายง่ายนะเอโกนนอ้นั่งแต่ถ้าเราเอา่อนนั่งคือเอาอีโก้นั่งเนี่ยเราจะคิดอะไะโยมอัตมาคิดว่าโยมทําอย่างเงี้ยไม่สมศักดิ์ศรีพราะทำมาทุกข์โยมต้องคิดสิถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บเป็นเรื่องไหมเรื่องที่หมูราขี้หมาให้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ แต่พอเราไม่ยึดติดมันเป็นเรื่องเล็กๆขณะที่อาตมาพับนั่งฉันยังไม่เสร็จนะเลยไปน ห, หนึ่งมีบ้านชาวบ้านเป็นมีสนามด้วยเด็กๆมันเตะฟุตบอลอยู่ข้างใ น, นสัพักหนึ่งฟุตบอลเลยประตูรั้วออกมาตกต่อหน้าอาตมาปั้งเด็กฝรั่งมันวิ่งออกมาฮัลโหลมันบอกว่าเก็บลูกฟุตบอลให้หน่อย <laughs> เราลุกไปเก็บลูกฟุตบอลโยนให้มันมันบอก thank you โยมยิ่งช็กเข้าไปใหญ่ตายแล้วท่านวอเก็บลูกบอลธรรมาบอกโยมอย่าไปคิดมากไลอีเอสเอซชีวิตมันเป็นเรื่องง่า ย, ายถ้ามันยากสแสดงว่ามันผิดถ้ามันยากสแสดงว่าเราได้เติมส่วนเกินของชีวิตเราได้เติมเปลือกของชีวิตเข้าไปแล้วแล้วเราพอกเปลือกของชีวิตเข้าไปแล้วเรายึดติดถือมันมานะเราลุกไปเก็บบอลได้ไหมไม่ได้ เราคือพระนักเทศจะให้เก็บโบนเราอาจจะต้องเดินเข้าไปในบ้านแ ล, ล้วเรียกเด็กทุกคนมันซึทนาเพลสรู้จักฉันัหม <Campus> <c ười> ใช่ไหมแต่พอเราไม่จะติดถึงมันหัวโขนชีวิตโอ้ยมันง่ายแล้วกันทุกวันนี้แต่มาพรพูดเลยเราเป็นพระสายเชียวนะเชียวเชีย ว, ช, ว <laughs> ชีวิต ง, ง่า ย, ายสบา ย, บายไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความสุขเราต้องกลับไปหาโมหน้าที่แท้จริงของพวกเรา กลับไปหาใบหน้าที่แท้จริงของพวกเรากลับไปหาหน้าสดของพวกเราตามเจอไหมกล้ามองหน้าสดตัวเองไหมนั่นแหละคือหน้าที่แท้จริงแล้วใครกลับไปอยู่กับหน้าสดของตัวเองได้อันนั้นแหละจะทําให้เรากลับมาอยู่กับความสุขชีวิตเป็นเรื่องง่ายความสุขก็เป็นเรื่องง่ายขอเพียงเราเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งสมมติ อะไรคือแก่นของชีวิตแล้วรู้จักใช้สมมุติเมื่อถึงเวลาเมื่อไม่ถึงเวลาก็วางสมมุติแล้วก็ปล่อยให้ลงและปลงให้ได้กับยศทรัพย์อำนาจเมื่อถึงเวลาใช้ก็ใช้เมื่อถึงเวลาวางก็วางเราอยู่ในโลกด้วยความเข้าใจโลกเหมือนพระพุทธองค์ตรัสว่าเรานี่เกิดมาในโลกนะั้นแต่เราก็พลโลกไป อุปมาดังหนึ่งบัวที่เกิดแต่ตมและน้ําแต่แล้วก็ลอยพ้นน้ําไปถ้าทําความเข้าใจเรื่องอัตตาอิกโก้ตัวฉันของฉันได้ถ้ายมเข้าใจเรื่องนี้ชีวิตเป็นเรื่องง่ายและชีวิตมีความสุขได้ทุกวันหลังจากนั้นเราจะแต่งองค์ทรงเครื่องชีวิตน้อยมากเราจะกลายเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนะอันนี้เป็นเคล็ดลับแห่งความสุขที่พระอาจารย์อยากจะนํามาฝากพวกเราในเช้าวันนี้เลยทีเดียว ก็ขออนุโมทนาครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกคนนะที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีขอให้มีความสุขให้มีความสำาราญบันใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเ อ, อ อยู่เคียงทางฉันนั่งให้สบายผ่อนคลายชีวันในปัจจุบันยัดยงตรงนี้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออก